164อันโตวุฒธธาธิปฏิเขปะกถาว่าด้วยทรงห้ามการหุงต้มภายในเป็นต้นเรื่องอาหารที่หุงต้มเอง274ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปกรุงราชครืประทับอยู่ณพระเวรุวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแตสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงประชวนโรคลมในพระอุทธรลำดับนั้นท่านพระอานนท์ดำริว่าเมื่อก่อนพระผู้มีพระภาคทรงประชวนโรคลมในพระอุทธรก็ทรงพระสําราญได้ด้วยข้าวต้มปรุงด้วยของสามอยา่างจึงออกปากขอ ง, งาบ้างข้าวสารบ้าง หัวเขียวบ้างด้วยตนเองแล้วเก็บไว้ภายในต้มเองแล้วน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคด้วยกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดื่มเข้าต้มปรุงด้วยของสามอย่างเถิดพระพุทธเจ้าข้า